เทศนาแผนที่78ลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรดิานีแสดงธรรมในวันที่13มีนาคม2558มีชื่อเรื่องว่าสะอาดในสะอาดนอก วันนี้เป็นวันที่ส3สามีนาคมพุทธศักราชส5ันห้า8้วันในพระในวัดของเราทั้งหมดส2สองรูปนาคสามลงมาฉัน23สบสามงดฉันหและก็วันพุงนี้เป็นวันเสาร์ตอนเช้า เมื่อเราฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะมีการบวชอ่าบวชนาควันพุ่งนี้นะบวชนาคสามองค์มีการบวชนาคสามองค์วันพุ่งนี้พอฉันจังหันเสร็จแล้วก็ บ, บวชอะ่ะแต่ปีนี้ทราบข่าวว่าจะมีนาคของพระเทพ บวชจากวัดโพธิสมพร เ, เป็นอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าหวดที่เป็น อ, อะไรตะกอนเขาเรียกอะไรหัวหน้าหมวดการศึกษาหมวดการศึกษาการประถมอําเภอนายูงแล้วก็กลุ่มคณะโดยมากจะเป็นครูบาอาจารย์บวชจะบวชจะมาอยู่ที่นี่ เป็นพระหน้าแรงเป็นพระบวชเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเทพที่มาบอกกับหลวงพ่อค ง, องจะได้นั่นมาพักภาวนาในช่วงต่อไปคงจะช่วงนั่นะปลายเดือนมีนาน่แหละแล้วก็วันนี้เป็นวัน ขึ้นเก่าคำแรมเก่าคำนะการัทสาญาติโยมลูกหลานเดินสามจะจวนไล่มาเรื่อยเมื่อวานนี้หลวงพ่อกนนันะไปราดตะเวนไปราดตะเวนดูวัดแต่นานๆหลวงพ่อจะได้ไปที่หนึงเดินนั่งบางทีก็เดินไปบางทีก็นั่งรถไป แต่ถึงยังไงบางครั้งไปเห็นบริเวณวัดหลวงพ่อกพอจะพูดขึ้นมาหลวงพ่อก็ลืมวิธีการปฏิบัติแต่ไม่ให้พาลูกพาหลานทํางานทั้งวีทั้งวันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าวัดของหลอมันกว้างทั้งหมดทั้งพันสามกว่าไร่แต่ถนนแต่ละเส้นก็ยาวไกลแต่ถึงยังไงก็ปัดกวาดง่ายเพราะมันเป็น เราก็ได้เทคอนกรีตบางๆไว้ทเป็นถนนเพื่อให้พระเนนเดินไปสะดวกมาสะดวกแล้วก็ปลอดภัยสําหรับพวกสัตว์เรื้อยคานพวกงูถต า, ากว่าพวกงูถ้ า, าว่ามันข้ามถนนมันก็จะรีบข้ามมันจะไม่อยู่แต่ถ้ า, าว่าเรามันเป็นถนนดินธรรมดามันจะอยู่ในถนนโดยมากมันจะ กัดฉกพระเดินกลางคืนแต่ตั้งแต่เราทำถนนมาแน่นอนลุงพ่อข็สบายใจแต่ถึงยังไงของการดูแลรักษาเนี่ยจุดนี้อีกจุดหนึ่งสมัยหลวงพ่อเองอยู่กับหลวงปู่ล่าเป็นสัมมเณรอยู่ที่ภูโจกก็พระภูโจกก็รู้อยู่แนละ้วภูเขา เ, เวลาปัดกวาดท่านก็ไม่ได้เทปูนอย่างนี้นะเป็นธรรมชาติมีก้อนหินมีดินหินโผลหินโคดหินบังกวาดกวาดที่จะปัดกวาดได้แต่ละวันกวาดที่จะเสร็จในกา ร, การปัดกวาดใช้เวลานานเราก็พระสมัยนั้นก็สามสี่องค์เราก็ปัดกวาดบริเวณกุฏิของท่านแล้วก็ลงมา ทุกท่านก็ปัดกวาดด้วยลงมาตามถนนแต่มาถึงถ้ำนี่ยก็พอแรงแล้ะแต่ละวันเพราะบางวันใบไม้มันล่วงหน้านี่หละหน้าใบไม้ล่วงก็นาฝนก็ใบปัดกวาดยากอีกเพราะมันติดในดินใบไม้ติดในดินมันไม่เหมือนอยู่ในปัดในกวาดในลานวัดของพวกเราทุกวันนี้ เพานั้นหลวงปูล่ลาท่านก็นตั้งกฎกติกาขึ้นมาว่าถ้าวันธรรมดาทุกวันปัดกวาดบริเวณที่พักผาอาศัยกุฏิลงไปถึงศาลาและก็บริเวณศาลาหน้าถ้ำให้สะอาดไว้อยู่เสมอส่วนถนนจากหน้าถ้ำไปถึงหมู่บ้านประมาณกิโลกว่ า, วาอันนั้นท่องเจวันถึงปัดกวาดครั้งหนึ่ง ปูเวลาปัดกวาดจากหน้าถ้ำไปถึงหมู่บ้านต้องระดมพระในวัดมีสี่องค์หรือห้าองคอ์ก็แบ่งกันทั้งน้ำด้วยทั้งปิบน้ำด้วยทั้งถ้าว่าเป็นสี่องค์นี่กเป็นสองชุดเพราะหามน้ำเวลาปัดกวาดไปแล้วกัน อ, องค์หนึ่งก็ปัดกวาดแต่ต้นทาง องที่สก็เดินไปประมาณสัก20เมตรพร้อมทั้งคานหามปิ๊บน้าด้วยจาะนั้นวางพอ20เมตรแล้วก็วางปิ๊บรงกับไม้หานไม้คานแล้วก็ปัดกวาดไปเรื่อยๆพอปัดกวาดไปองค์ที่ปัดกวาดที่หลังไปนี่ก็ได้ไม้คานหามกับปิ๊บน้ำเดินล้าไปอีก ไปถึงประมาณสัก15เมตร20เมตรวางไว้เอกแล้วก็ปัดกวาดต่อไปเอกนี่แหละอันนี้คือการจูภูเจ ก, กอสมัยนั้นอยู่ด้วยความยากลำบากนะพระเนรลูกหลานนะแล้วกวาดที่จะบางทีชั่วโมงไอ้ทางกิโลหนึ่งที่ปัดกวาดจากหน้าถ้ำไปถึง หมู่บ้านไอ้ที่ที่อาบน้ำที่ตีนเขาตั้งแต่บ่ายสองโมงแต่วันไหนแค่จะปัดกวาดเจดค่าหลวท่านจะเอาเจ็ดคาำพอจวนจะวันพรานเะจ็เจ็ดค่ำหรือส4บสี่คท่านก็จะปัดกวาดละปัดกวาดจากหน้าถ้ำจนถึงห้วยหรือว่าถึงที่ตีนเขาตีนหมู่บ้าน แล้วก็ตักน้ําหาบน้ําหามน้ําขึ้นมาด้วย ใ, ในหาบน้ําบางทีสี่ปิ๊บนละนะสี่ปิ๊บไม้คานคานหนึ่งเนี่ยนะองค์ที่สองก็ทาอย่างนั้นนะแปลว่าปัดกวาดไปด้วยถือคานน้ําปิ๊บน้ําไปด้วยแล้วก็ปัดกวาดกว่าจะเสดได้ทุนะลูกหลานสนะี่ห้าหกโมงเย็นวนะัน่ะโอ้วันนั้นว่าวันไหน ปัดกวาดแล้วก็ต้องหาผ้าอาบน้ำมาคุมไหล่ทางงั้นพวกยุงโอ้โหเอ่อสมัยนั้นมียุงไข้มาลาเรียด้วยต้องรักษาบางทีก็มีผ้าพกหัวด้วยแล้วก็กบบกขอผ้าอาบน้ำคลุมไหลด้วยเวลาปัดกวาดลงมาแล้วก็มีปิดน้ำด้วยมีคานหามด้วย อนึกนึกย้อนหลังนึกนึ ก, นกดูแล้วโอ้โหแต่ขับไม่ออกเหมือนนึกดูแล้วขับไม่ออกเพราะมันดูแล้วมันไม่ใช่ลำบากธรรมดาอาบน้ําขึ้นมาพออาบน้ําเสร็จเรียบร้อยกวาดปัดกวาดนี่นก็เงื้อแต่เงื้อไหลล่ะพรอมันเขีย่ยใบไม้ออกจากชอกหีน่ะจักชักชักชักกวาจะออกไปได้ฮอปัดกวาดทาความสะอาดโอ้หลวงปู่าลาศละเอียดนะ ถ้าใครปัดกวาดก็โรดกะลาดจะไม่ได้หลวงปู่ปัดซ้ํำอีกท่านปัดกวาดมันมองดูทั้งถึงด้านจิตใจด้วยถ้าปัดกวาดก็โรดกะลาดจะแสดงว่าจิตใจมันไม่ละเอียดก็โูดกระลาดนะอมันต้องปัดกวาดมันต้องดูผู้ทีละเอียดทีท่วนดูปัดกวาดก็รู้หลวงปู่ท่านสอนถึงขนาดนั้นนะเพราะนั้นพวกเราปัดกวาดก็ต้อง ดูปฏดกวาดให้ละเอียดทีทวนแต่ละคนรับผิดชอบด้วยกันทั้งหมดกว่าจะเสร็จได้บ่ายสองห้าหกโมงเกือบความคาม่ำอาบน้ำหามน้ำขึ้นมาหาหา ม, หามคนละสีปิบโอ้ไม่ใช่ของเบานะลูกหลานนะทดลองดู ก, ก็ได้ขนาดหามหามขึ้นเขานะการหามน้ำขึ้นเขาถ่าว่าผู้อยู่ทางหลัง หามธรรมดาไม่ได้พูดคุยดังหลังต้องมีปเป็นผู้มีกําลังกว่าเวลาหามเองต้องพยายามดันขึ้นไปด้วยไม่ใช่หามน้ําหาบน้ำหามน้ํ า, าขึ้นเขาไม่ใช่ธรรมดาต้องมีเทคนิคของท่านอีกต่างหากนะไอ้ผู้ที่เป็นผู้เดินไปข้างหน้านะก็พยายามดันอีกเหมือนกันเพื่ไม่ให้มันถอยหลังไม่ให้มันหงายหลังนะไอ้ผู้ที่อยู่ข้างหลังกนะ็พยายามดันไปข้างหน้าอีก มันไม่ใช่หาบไม่ใช่หามธรรมดาเดินไปธรรมดานะทั้งหามด้วยทั้งดันไปทั้งหน้าด้วยพวกนั้นก็ลากลักษณะลากก้นไปข้างหน้าด้วยมาพิจารณาดูเดี๋ยวนูที่หลวงพ่อมาอยอู่วัดของเราเดี๋ยวนี้เปิดก๊อกน้าเปิดก๊อกไหนน้ำไหลไหลแรงอีกต่างหากน้ำสะดวกสบาย พอมันนึกย้อนหลังภูเจ้าก้อสมัยหลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงปู่ข้านั้นน่ะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงที่มาอยู่วัดป่านาคําน้อยหลวงพ่อจย่งโว้ยเราจะไม่อยู่ภูเขาแล้ววะเราเข็ดเราหลับแล้วหามหาบนะไอ้าหามน้ําขึ้นเขาคอ น, น้ําขึ้นเขาคําว่าคอนคำนี้เนี่ยคือในพระวินัยของพระพุทธเจ้านั้มันมันมีในพระวินัยนะลูกหลานนะคือพระ สงเนี่ยปฏิบัติพระกรรมฐานเนี่ยโดยมากท่านจะปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยต้องอ่านในตำราในพระวินัยบุพชิกขามหาขันพระวินัย <c oughs> อภิษมาจาร์บอกยังไงท่านก็ปฏิบัติตามนั้นท่านจะไม่ล่วงเกินวินัยเพราะว่าศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตรัฐาคตยังอยู่ตราบนั้น เมื่อตถาคตผ่านไปแล้วทำและวิัยนั่นแลจะเป็นศารรสดาของพวกท่านทั้งหลายเพราะฉนั้นพระกรรมฐานถึงจะอยู่ยังไงท่านก็ต้องเคารพในวินัยที่พระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้อย่างที่ห้ามภิกษุหาบห้ามภิกษุหาบของหาบไม่ได้นะพระหาบของไม่ได้นะจว่าหาบคำในี้ใครข้าว่ามีสองอยู่สองข้าง เหมือนตะกาอยู่ทั้งสองข้างหรือว่าสิ่งของอยู่สองข้างพระอยู่ตรงกลางหาบของเนี้ยนันปรับอบับถูกกดแต่พายแต่พายสิบ่าได้อยู่ใส่ที่หัวได้อยู่ใส่ที่ที่ใส่หลัง เ, เป๊ะเนะ่ยได้อยู่เฉเดตคล้ายๆว่าใส่ที่เอวเหมือนกับเราอุ้มเด็กนะ่ก็ได้อยู่แต่ห้ามหาบทาไม ทำไมวินัยตัวนี้จึงมีสมัยครั้งพระพุทธเจ้ า, าภิกษเุเดินทางไปเที่ยวทุดงไปไปเห็นสิ่งของอันไหนก็อยากได้อันไหนก็อยากได้ผลที่สุดก็เลยใส่ตะ ก, ก้าหามมาเถอะหามมันหนักเถจนพระพระหลังหักอพอพระหลังหักก็มีเหตุไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ บ, บัญญัติวินยัยว่า ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปพิกสูใดก็ตามหาสิ่งของต้องอาบัตรทุกกฎนอ่อันนี้ก็คือมาในพระวินัยแล้วทุกคนก็ต้องเคารพแล้วทนเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติแล่วต่อไปนี่ต่อมา ก, กันเนี่ยไอ้คอนก็คืออะไรคอนก็เหมือนกับหาบนั่นแหละคล้ายๆกับว่ามีไม้ยาวๆหลวงปู่ล่าเนี่ยถ้าพวกเราขึ้นไปภูเจ้า ก, ก็จะเห็นหลวงปูล่ลาไม้คอนหลวงปู่ล่า คือไม้ยาวๆไปข้างหน้าและก็มีปิ๊บลูกหนึ่งอยู่ข้างหลังเจ้านก็เอาใส่ปิ๊บข้างหลังก็ใช้ไม้คอนคอนไปข้างหน้าอั น, นเรียกว่าคอนน้าจากนั้นก็เอาลงบาจักบากเทาใส่ตุม่มแล้วก็เอามาเป็นน้ําล้างบาตน้ําล้างเท้าแต่โดยมากของหลวงปู่ล่าเนี่ยที่เป็นครูบาอาจารย์เวลาเราเอาน้ํามาแล้วก็จะไปใส่ที่ล้างบาตซะมากกว่า แล้วว่าเป็นน้ํำดิ่มอ่ะเอาไว้เป็นน้ําดื่มหรือน้ําล้างบาทแต่พวกของพวกเราเนี่ยตัวมากจะเอาไปใส่น้าล้างเท้าที่เป็นของลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอเราจะไม่เอาน้ําล้างเท้าของครูบาอาจารย์มามาใส่น้ําล้างเท้าอ่าให้คนล้างเท้าที่ท่านตักมาแต่ถึงยังไงท่านก็ต้องตักท่านก็ต้องช่วยเจ้าหมายนั้นท่านก็อายุ40กว่าปีก็ยังไม่ ก็ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่มากอายุของท่านยังไม่มากยังแข็งแรงท่านยังช่วยได้อยู่แต่ถึงอย่างไรพวกเราก็ต้องนั่นะเอาน้ำของท่านเป็นน้ำดื่มรืมรเป็นน้ำล้างบาทถ้ามันเต็มน้ำาบื่อดืมก็เป็นใส่น้ำล้างบาทแต่พวกเราเใส่น้ำล้างเท้าลวดขึ้นไปตามกุฏิต่างๆตามที่มันมีนี่นแหละอันนี้ก็คือการใช้น้าหรือว่าการคอนน้ำ ้วการหาหามน้ำหามน้ำคอนน้ำสองอย่างเท่านั้นเองนะจากนั้นก็หิ้วน้ำหิ้วไม่ไหวมันไกลเกินไปแล้วก็การปัดกวาดทุกเจดวันรอบวัดสรุปแล้วก็คือเจ็ดวันรอบวัดบางทีก็หน้าแล้งมากปัดทางกันไฟด้วยในบริเวณนั้นบางทีก็ปัดกวาดลงไปทางนู่น ทางอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกเหมือนกันอพอปิณธาบาตบางทีก็สองหมู่บ้านบ้านลุก ป, ปึ่งก็บ้านแวงแต่้วยมากทำพระน้อยก็ไปบ้านแวงบ้านเดียวถ้าหากว่ามีพระมากกว่า น, นั้นแบ่งกันไปปัดกวาดทั้งสายนั้นด้วยทุกเจ็ดวันเจ็ดวันก็ปาดปัดกวาดครั้งหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อเล่าและพูดให้ลูกหลานฟังเนี่ย ถ้าจะว่าไปวัดของเราที่อยู่เดียวนี้ที่จะปัดกวาดไกลยาวแต่ปัดกวาดสะดวกสบายแต่ถึงยังไงถ้าปล่อยปาละเลยไม่มีการใส่ใจสนใจไม่รับเป็นหน้าที่แล้วไม่ไม่รับเป็นธุระจะเลยอันนั้นไม่ถูกต้องทุกองค์ต้องรับภาระของรับผิดชอบใครเดินไปทางไหนทำมันลกต้องปัดกวาดไม่ใช่ว่าเดินซ่วมซ้ำซ่วมซ้ำไป ถ้าว่าขนาดพื้นดินยังส ก, กปรกยังไม่สะอาดยังมีใบไม้ลกตุงลังใจในภายในใจของพระของเนนของเราเนี่ยจะลกขนาดไหนฮะมันลกยิ่งกว่านั้นไปอีกเนีเพราะนั้นสะอาดนอกจึงสะอาดในสะอาดในซะก่อนมันจึงสะอาดนอกถ้าทางในส ก, กปรกแล้วทางนอกไม่ต้องพูดถึงเพราะทางในมันส ก, กปรกนะเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านมองสิทธิ์ท่านจึงมอง มองมองถึงเข้าไปข้างในเลยถ้าการเป็นอยู่องไหนก็ตามลกลุงลังไม่สะอาดแสดงว่าใจขององค์นั้นไม่ต้องพูดถึงสกปรกรกลุงลังไม่มีอะไรที่จะเป็นอยู่ทั้งด้านจิตใจอีกต่างหากเพราะนั้นท่านจึงว่าสะอาดนอกสะอาดในทาจิตทางจิตนอกการใน การนอกก็คือกิ จ, จวัตรครอบวัดการในก็คือภายในใจของตนเองเพราะฉนั้นขอดูนะวิธีการท่านเดินองค์ไหนจะภาวนาหรือไม่ภาวนานะเวลาท่านเดินไปท่านจะไปเดินไปดูทางจงกลมเลยนะถ้าทางยังกลมพระองค์นี้ไม่เดินยังกลมก็จะแดงว่ามันขี้เกียจภาวนาอย่างสุดๆแล้วคอยวันตายท่านว่านะคอยวันตายตายก็คืออะไรตายออกจากเพศสมณะเพศ จะไม่มั่นคงถ้าองค์ไหนทางเดินยังกลมเป็นมันเล่นเ อ, อ่นั่นละ่ะองค์นั้นอ่ะจะหาขนทางจะแสวงหาขนทางพ้นทุกข์ให้ตนเองได้แต่องค์ไหนทางยังกลมเศร้าๆมองๆเป็นหลุมเป็นบอ่อไม่ได้สนใจ อ, อไม่ได้ดูแลอีกต่างหากนั่นแหละพระพระองค์นั้นอ่ะเอแปลว่าคอยวันตายฮะ หลวงตามหาบัวว่าอย่างนั้นนะหลวงปู่ล่าว่าอย่างนั้นนะฟังเอาไว้นะพระเนรลูกหลานทุกองนะไม่ใช่ว่า เ, เราจะมา ป, าปลอปละแต่อยู่ที่สลาบริเวณแถ บ, บ, บนี้เท่านั้นนะมันต้องดูตัวเองอีกต่างหากการภาวนาคือดูใจของตนเองการทําความภาคเพียรคือชําระใจของตนเองไม่ใช่ว่าจะเราจะสร้างข้างนอกหรูหราโอ้อาแต่ข้างในเศร้าหมองดําปีน ไม่ขัดไม่เกลาใช้ไม่ได้นะเพราะนั้นเรื่องสมาธิภายในใจของเราเนะี่ละเลิศประเสริฐที่สุดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเชิดชูบูชาจิตใจที่เป็นสมาธิเดินวิปัสสนาชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดพ่องสะอาดกายสะอาดใจมันไปด้วยกันวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพระลูกพระหลาน ผู้ที่จะดํารงสงสารชนาต่อไปภายภาคหน้าถ้าผู้ไม่ดํารงอยู่ไม่ได้ก็เอาเป็นแนวทางให้รู้จักได้ไว้ว่าคือแนวทางพระธุรงกรร ม, มฐานสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอย่างไงไม่ใช่การดํารงชีพด้วยความหรูหราโอ้อาด้วยความสะดวกสบายท่านอยู่ด้วยความทุกในการ อยู่เป็นอยู่แต่จิตใจของท่านมีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่สสแสวงหาทางไหนที่จะพ้นทุกข์ในวัตะสงสารไม่มาเวียนไหวาตายเกิดท่านมุ่งหวังเท่านั้นถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ลูกหลานได้ฟังลูกหลานก็คงจะอูอ้คงจะสะดวกสบายอย่างพวกเราอยู่อย่างเดียวนี้นะมันไม่ใช่นะลูกหลานนะสมัยก่อนหลวงพ่ออยูอ่ฝึกมาอย่าง ฝึกมาฝึกมาอย่างโกโครนเลยฝึกมาแบบทุกยากลําบากนะเพราะนั้นหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่เห็นพระลูกพระหลานเงอะเงอะกักกักออกนอกหลู่นอกทางขี้เกียจขี้คลานกระทั่งปัดกวาดหลวงพ่อดูดูแลแต่หลวงพ่อจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองนะเพราะหลวงพ่อฝึกมาอย่างนั้นจึงได้พูดให้พระลูกพระหลานได้ฟังนะต่อ น, นี้ไปพระรับอนุโมทนาเนี่ยบัดนี้นะรับพรนะ